มันก็ต้องค่อยๆรวบรวมแล้วก็จะเป็นไปโดยลำดับกุศลธรรมก็จเจริญโดยส่วนเดียวและที่สำคัญเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจในภายหลัง น, นะเพราะอะไรเพราะทำแต่กุศลไม่ได้ทำอกุศลกุศลธรรมที่ทำไปก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั่นเองอก็เขาจเจริญกุศลวัน น, นายนุชทักรรมารบุตรผู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเาบอกไม่ได้บอกว่าเออนี่ให้ทานนี่เสียเวลาใช่ บอกหม่เนี่ยนะก็เนี่ยเป็นบุญของเขาแลว้วเป็นลาภของเขาแลว้วพอเขาคิดถึงเขาเขาถ้ า, ายอย่างเขาบอกว่ า, าท่านเหล่านี้คือนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติเขาเพื่ออะไรเพื่อรู้เห็นอริยศาสตร์พระพุทธเจ้าในฐานะผู้ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยนะผู้เป็นพระศาสดาทั้นเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็เลยไปหาการตรัสรู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เลยไปหาการฟังธรรมและพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ประกาศธรรมให้เขาฟังอยู่ตลอดนี่ยนะ ทันเขาก็จะเห็นแจ้งสมาทานอานหารร่าเริงมีแต่ความปราบปลื้มใจมันก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันตอนเช้าพระองค์ก็สั่งให้คนเนี่ยนะไปกราบทูลทัตตาหารหรือว่าไปเองไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญได้เวลาแล้วทัตตาหารสําเร็จแล้วครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวร พร้อมด้วยภิกษุสงเสร็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทกกรรมมารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับนายจุนทกกรรมมารบุตรว่าดูก่อนจุนท้าท่านจงอังคาตอังคาตแปล ว, ว่าประเคนหรือถวายเนี่ยนะจงถวายเราด้วยสุกระมัถวะที่ท่านตระเตรียมเอาไว้จงอังคาภิกษุสง์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้ก็คือตระเตรียมอาหารไว้หลายอย่างแต่ว่า ชิ้นพิเศษเนี่ยนะหม้อพิเศษก็คือสุกระมัถวะนั่นเองเป็นหม้อพิเศษนายจนท้ากรรมระบดทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็อังฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสุกระมัทวะที่ตนตระเตรียมเอาไว้อังฆ่าถวายอาหารแก่พิสุสง์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ตนตระเตรียมไว้ก็เปนับว่าเป็นทางที่น่าอนุโมทนาถวายสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุกเนี่ยนะไอ้คำว่าถวายสังฆทานเนี่ยนะแปลว่าเขาไม่ได้เจาะจงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม้ทำเนียมจะต้องอนั่งกล่าวอยู่นั้นน่ยนะนั่งกล่าวนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นเราไม่ใช่เนี่ยนะเขาเพราะธรรมะสังฆทานเนี่ยมันอยู่ที่เจตนามไม่ได้อยู่ที่คํากล่าวแล้วก็พอตระเตรียมถวายเสร็จแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับนายจุนทะกรรมมารบุตรว่าจุนทะ ท่านจงฝังสุกระมัถวะที่เหลือในหลุมเสียหมายความว่าอาหารก็พระองค์ก็รับเท่าเฉพาะที่พอฉันน่ะนะส่วนที่เหลือพระองค์ก็บอกให้ไปฝังในหลุมเพราะเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตวพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกระมัทวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีนอกจากตถ า, าคตนี่นะ ฝ่ายพระนายจุนทะกรรมารบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้ารับพระดํารัสแล้วก็ฝังสุกระมัทวะที่เหลือในหลุมเสียเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าถวายบังคมนั่นงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนายจุนทะกรรมารบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้เห็นแจ้งให้สมท า, านให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาเสดลูกจากอาสนะหลีกไป ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสุกระมัทวะเนี่ยนะที่บอกว่าหมายถึงสุกระมัทวังคือปวัตตมังสะของสุกรตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งไม่หนุ่มนักไม่แก่นักหมายความว่าเป็นเนื้อเนื้อหมูอะ น, นะเป็นหมูชั้นดีเป็นหมูอย่างดีแต่ไม่ได้แปลว่านายจุนทักษ้ามาเองนะไม่ใช่อย่างนั้นอะ น, นะก็ได้มาโดยที่ไม่เสียศีลอย่างนั้นเถอะได้มาโดยชอบธรรมโดยที่ไม่เสียศีลเพราะฉะนนั้ปวัตตมังสะเนื้อนั้นจึงนุ่มสนิท อันนี้ตามมาติของอัตถคถาทั่วไปเนี่ยบอกว่าสุกรามัถวะหมายถึงเนื้อหมูนะแต่เป็นหมูหมูตัวโตแต่อายุไม่มากแล้วก็ในอัตถคถาพุทธวงก็กล่าวไว้อย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระอาหาพรพระพระกายอาหารหรือโภชนอาหารมื้อสุดท้ายนั้นเป็นเนื้ อ, อทุกพระองค์เลยเป็นประวัติมังสะเป็นมังส ะ, งสะคือเป็นเนื้อแต่ว่าบางพวกเขาบอกว่าไม่ใช่เนื้อรอกอันนี้เป็นชื่อของข้าวสุกอ่อน ที่ปรุงด้วยเป็นจะโครบเห็นไหอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้หมายคขาว่าเป็นข้าวที่หุงด้วยเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรเป็นตัวเอ๊ะขออภัยนมสม้มนมสดนมสม้มเนยใสยเปรียงแล้วก็เนยแข็งแล้วก็ถั่วอันนี้เรียกว่าขวะปานะผสมน้ำแกว่าขนมผสมน้ำนมโคบางท่านบอกว่าอย่างนั้นอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าเป็นการปรุงเห็ดนะตามคมภีรหมายถึงเห็ดก็มี หรือบางพวกก็บอกว่าวิธีปรุงรสพิเศษชื่อว่าสุกระมัทวะที่มาในารส า, ายตนะศาสตร์เป็นวิธีการปรุงแต่งอาหารประเภทหนึ่งที่พิเศษแต่ก็กล่าวกันไปแต่ตามมาติอธถกถามหมายถึงเนี่ยตัวเนื้อสุกร่เนี่ยนะเป็นเนื้อหมูทีนี้อาหารเหตุผลที่บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เอาอาหารนั้นะไปเททิ้งซะหรือเอาไปเททิ้งฝังในหลุม ก็เพราะว่าเทวดาในมหาทวีปทั้งสี่ที่มีทวีปน้อยเป็นบริวารสองพันทวีป น, นะเทวดานี่มารวมมากันมากมายเทวดาเหล่านั้นก็ใส่โอชะลงในสุกระมัถวะแม้กระทั่งอาหารมือแรกที่พระองค์ฉันก็เหมือนกันตอนที่ปรุงเนี่ยนะตอนที่ปรุงนี่ก็จะใส่อาหารหยอดอาหารเอามาใส่ตอนที่ปรุงเพื่อที่นางอาหารของนางสุชาดานั้นก็ปรุงด้วยอาหาร ทิพมากนะีนะคือเทวดามาช่วยหยอดโอชาใสา่เทวดาทั้งหลายก็มาหยอดโอชาโอชาใสา่มาหยอดโอชาโอชาใส่เนี่ยนะจนอาหารนั้นนะมนุษยธรรมดาฐาทานแล้วไม่ย่อยเพราะโอชาทิพย์เนี่ยมันมากเหลือเกินเสร็จ แ, แล้วถามว่าเทวดาก็ทานไม่ย่อยเพราะว่ามันมีอาหารมนุษย์ปนอยู่ด้วยท่านจะต้องเป็นคนที่มีบุญแล้วก็มีฤทธิ์มีอานาจมากจึงจะชันแล้วก็ย่อยได้ แล้วก็ให้พลังงานอย่างสมบูรณ์เต็มที่อย่างมื้อสุดท้ายนี่ก็ในยะเดียวกันนะนะเทวดาเนี่ยใสยโอชาทิพย์แล้วไม่ใช่เทวดาตนเดียวมาเทวดาไม่รู้มากี่พันล้านองค์ที่มาทุกคนก็เอาโอชาทิพย์มาใสา่เพราะว่าถือว่าเป็นมื้อสําคัญเป็นมื้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นฐานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นอาหารเนื่องจากว่ามนุษย์ทั่วไปก็ทานไม่ย่อยเทวดาทั่วไปก็ทานไม่ย่อยพระองค์ก็เลยให้ฝังเสีย ที่ให้ฝังเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าเดียวคนอื่นจะกล่าวว่าร้ายพระพุทธเจ้าคนเอ่อที่เหตุที่ให้ฝังเนี่ยนะไม่ใช่บอกแหม่พระพุทธเจ้าแม้เก็บของอร่อยอร่อยไว้ฉันคนเดียวแล้วก็ริษยาไม่ต้องให้คนอื่นฉันก็เอาไปฝังซะแม่เสียข้าวเสียของหมดเป็นต้นแต่จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าหมายถึงว่าไม่มีใครทานแล้วย่อยได้นั่นเองกลัวจะมีโทษเนี่ยนะแล้วก็ที่พูดอย่างงี้ก็เพื่อกันข้อขอรหา หลังจากที่เสวยเสร็จเนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพัฒตาหารของนายจุนทกกรมมารบุตรพอช้างเสร็จอาพาธอย่างแรงกล้าก็เกิดขึ้นมีเวทนากล้ า, กลากเกิดขึ้นแต่จากนั้นการประชวนลงพระโลหิตใกล้นิพพานท้องก็เสียถ่ายออกมาเป็นเลือดอีกเนี่ยนะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้น เวทนาเหล่านั้นเอาไว้มิได้ส่งพันธุ์ถึงไอความเจ็บปวดที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันปวดเมื่อยไปหมดโดยเฉพาะร่างกายของเราทั้งหลายเนี่ยโรคในส่วนข้างนอกตัวนอกตัวก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโถ้าโรคเกี่ยวกับลำเดินอ่ะนะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับลำไส้เนี่ยเกี่ยวกับลำไส้ขับถ่ายแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดเนี่ย เป็นนํามาซึ่งความอ่อนเพลียเหมือนเหมือนกับคนท้องเสียเนี่ยนะสังเกตดูคนท้องเสียเนี่ยจะอ่อนจะเพลี ย, ยจะเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเลยมั้งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ลักษณะท้องเสียธรรมดาแต่ว่าถ่ายออกมาเป็นเลือดด้วยแต่พระองค์ก็อดกลั้นไม่ได้ผ่านพึงเสร็จแล้วก็รับสั่งกับท่านทระอนุนว่ามาเถิดอ น, นุ์เราจะไปยังกรุงกุศนาราพระอนุนก็ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพัตตาหารของนายจุนกรรมรบุตรเสร็จแล้วทรงอาพาธหนักใกล้ต่อ น, นิพพานเมื่อภาษาสดาเสวยสุกระมัวะแล้วเกิดอาพาธหนักพระผู้มีพระภาคเจ้ า, เาลงพระบองคนตรัสว่าเราจะไปเมืองกุสินาราทั้ ง, งทั้งที่ทายออกมาเป็นเลือดอ่อนเพลียแต่ก็จะต้องไปต่อ คำว่าพุทธะสุกรามัถเวนะความว่าอาพาธอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นแก่พระองค์ผู้เสวยหมายคือว่าหลังจากที่เสวยเสร็จเนี่ยนะแล้วก็เกิดอาพาธไข้ขึ้นแรงมากกว่านั้นเถอะทั้งไข่ขึ้นอาพาธหมายถึงไข้ขึ้นป่วยแรงมากแต่ที่ป่วยนั้ น, นไม่ได้เกิดเพราะสุกรามัทวะที่เสวยเป็นปัจจัยก็ถ้าว่าพระองค์ไม่เสวยก็จะเกิดอาพาธ คือพระองค์จะฉันก็ตามก็อาพาธไม่ฉันก็อาพาธเพราะโรคมันกำเริบอยู่แล้วมันเกือบจะกำเริบอยู่แล้วได้เวลาเนี่ยหนะมายถึงว่าถ้าจังหวะนั้นเวลานั้นมันจะกำเริบแน่นอนมันเหมือนโรคบางอย่างมันจะปวดบางเวลาเนี่ยนะมันจะอาพาธบางเวลาซึ่งตอนนั้นอาพาธก็จะเกิด อ, อยู่แล้วแต่ถ้าพระองค์ไม่ฉันสุขระมัทวะอันนั้นแรงกล้ามากจะจะปวดกว่านี้อีกหลายเท่านักแต่เพราะโภชนะอันสนิทพระองค์จึงมีทุกขเวทนา เบาบางเนี่ยนะก็คือป่วยแต่ว่าอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงทำให้มีแรงที่จะมีพระพุทธดาเนินต่อไปบทว่าวิเรจมาโนพระองค์นั้นออกพระโลหิตอยู่เนืองเนื่อ ง, งนะก็คือขับถ่ายขับถ่ายออกมาเป็นเลือดตลอดเลยเรียกว่าออกทายออกมาเป็นเลือดนี่บ่อยมากเนี่ยนะก็อ่อนพลีหมดแรงเลยแหละ ถึงขนาดพระองค์ก็มีแรงเพราะอ า, อาศัยอาหารคือข้าวมาัทุปายาตขสุกระมัทวะอาหารของนายจุนทะแสดงว่ามีตัวยาประกอบมากนะั่มายว่าตัวยายโดยเฉพาะยาทิพย์นี่เอามาปรุงมากจนมีแรงที่จะเดินต่อไปได้แต่คนเนี่ยแมถ้ามันสมัยใหม่ถ้าเข้า ICU แล้วให้มาลุกเดินต่อไปมันจะทำได้ยังไงใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฉันอาหารเสร็จพระองค์ก็ยังมีแรงเดินต่อไป ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าระหว่างที่เดินทางไปพระองค์ก็หลีกออกจากทางสเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งพระองค์ก็ตรัสกับท่านท่านนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงช่วยปูผ้าสังขารติพับเป็นสีชั้นให้เราเราเหนื่อยเราจะนั่งเนะ่ยแสดว่าเดินไปเดินไปมันก็เพลียเพลียนะก็เรียกว่าอะไรนะคนก่อนจะจุติหรือคนก่อนจะตายเนี่ยหมามันเพลียหน้ามึดเลยนะ แต่ดีว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีมีบุญเนี่ยนะนี่ขนาดร่างกายที่มีบุญตกแต่งขนาดนี้นะเวลาเจ็บป่วยมันก็ยังทุกข์ทรมานขนาดนี้พอเดินไปก็เหนื่อยละก็เหาะไม่ทราบว่าพระองค์หอบหรือเปล่านะแต่ว่าเหนื่อยละเหอนอ่อนเพลียบอกอานอนท์เธอจงช่วยปูผ้าสังขาติพับเป็นสีชั้นให้เราเราเหนื่อยเราจักนั่ง ท่านพระนนทูลรับพระธรรมบัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ปูผ้าสังฆาติออกเป็นสี่พับหรือเป็นสี่ชั้นเนี่ยนะพับเป็นสี่ชั้นก็คือถ้าพับพับถ้าพับหนึ่งครั้งมันจะเป็นสองชั้นถ้าพับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสี่ชั้นให้พระองค์นั่งประทับนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากที่ประทับนั่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านนนท์อนนท์เธอจงไปนําน้ํามา เอาน้ำมาให้เราดื่มเรากระหายจากดื่มน้ำอันนี้กระหายจริงๆเลยนะอันนี้กรรมอะไรกรรมที่เคยไปเลี้ยงโคแล้วก็ไปบอกไม่ให้โคเนี่ยดื่มน้ำโคนี่กระหายน้ำมากแล้วก็โคจะไปดื่มน้ำแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติเคยเลี้ยงโคทีนี้ก็เอาตีโคเนี่ยว่าาอย่าดื่มเลยมันน้ำมันไม่สกป ร, รกไปดื่มข้างหน้าเถอะคนที่เลี้ยงโครตรงนี้จะเข้าใจดีเนี่ยนะ พอไอ้คำว่าห้ามไม่ให้โคดื่มน้ำไม่ได้แปลว่าคุยกับโคดีๆนะก็เราหวดปาบเข้าไปเนี่ยนะมันต้องไปกินข้างหน้าอย่างเงี้ยนะท่นก็ด้วยกรรมอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยก็ให้กระหายน้ำแล้วก็ปวดเมื่อย plan, อย่อนเพลียเนี่ยนะโรงเรืองขนาดต้นโคนะอย่างอย่างเงี้ยเลยนะั่งเรียนแะล้วเรื่องเคยเลี้ยงโคมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านท่านนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญเมื่อกี้นี้เกวียนห้าร้อยเล่มข้ามไป นั่นคือข้ามแม่น้ำนั้นไปน้ำนั้น่ะเป็นน้ำน้อยถูกล้อเวียนบดขุนมัวไหลไปอยู่แม่น้ำกักุูทานทีอยู่ไม่ไกลน้ำนั้นะใสจืดเย็นเขาวมีท่าเรียบหน้าร่มรื่นพระองค์ทรงดื่มน้ำและสงพระองค์ในแม่น้ำนั้นด้วยเนี่ยนะไปดื่มที่นั่งข้างหน้าเถอะน้ำใสด้วยไปสงข้างหน้าเถอน้ำก็ใสด้วยะ พระนร น, นี่เห็นเป็นน้ําขุนอ่ะเพราะอะไรเพราะพระพ อ, องค์เคยห้ามไม่ให้โคลน้ี่ดื่มน้ําขุนพระนรนก็มาคร่บดึงเรื่องให้หมันช้าแต่จริ ง, รงอ่ะพุทธานุภาพไปตักยังไงมันก็เป็นน้ําใสแหละเพราะพระพ อ, องค์มีบุญพระพ อ, องค์ไม่ไม่จําเป็นจะต้องได้ดื่มน้ําขุนอะไรหรอกแต่ว่าไอความที่กรรมเป็นปัจจัยเพราะครั้งที่สองพระพ อ, องค์ก็ตรัสกับพระนรนว่าอานร์เธอจงนําน้ํานั้นมาให้เราดื่มเรากระหายเราจากดื่มน้ํา พระนรนก็บอกว่าคอยเธอคอยดื่มน้ําข้างหน้าถือพระเจ้าข้าน้ําใสน้ํานี้มันคุณครั้งที่สามก็เหมือนกันนะครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอนอนรเธอจงนําน้ํานั้นมาให้เราดื่มเรากระหายเราจะดื่มน้ําท่านพระ่านนรนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถือบาตรไปยังแม่น้ํานั้นปกตินี้ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยพระนรนจะพูดครั้งเดียวแต่ด้วยความปรารถนาดีต่อ พระพุทธเจ้าอยากให้พระองค์เดื่มน้ําใสๆเย็นๆเนี่ยน ะ, ะที่ที่แม่น้ําข้างหน้าแต่พระองค์บอกว่ารอไม่ได้พระองค์ก็ใช้สามครั้งตามท่านนนทก็รับพระดํารัสแล้วก็ถือเอาบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังแม่น้ํานั้นครั้งนั้นแม่น้ํานั้นมีน้ําน้อยถูกล็อกเวียนบดขุนมัวไหลไปอยู่เมื่อท่านท่านนนเข้าไปใกล้น้ําก็ใสสะอาดไม่ขุนมัวไหลไป ท า, พานพระนท์ก็มีพระดำริว่านาอัศจรรย์นอเหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วความที่พระตถาคตเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากความจริงแม่น้านั้นอะ่ะมีน้ำน้อยถูกล้อเวียนบทขุนมัวไร้ไปอยู่เมื่อเราเข้าไปใกล้กลับใสสะอาดไม่ขุนมัวไล้ไปอยู่แล้วก็ตักน้ำด้วยบาตรนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์หนอเหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วแปลว่าอัจฉริยะอภูตธรรมในน่าอัศจรรย์มากความที่พระตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อกี้นี้น้ํานั้นมีน้ําน้อยถูกเวียนบดขุนมัวละหยไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เข้าไปใกล้กลับไสสะอาดไม่ขุนมัวละายไปอยู่แล้วก็ถวายขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงดื่มน้ํา ขอพระสุคตจงทรงดื่มน้ำเถิดพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเดื่มน้ำแล้ว